ทางถามต่ออีกเราได้ฟังถามจากพุทธเจ้าธรรมเทศนากันแรกจบลงไปแล้วกงมาเจินถึงสองพันกว่าปีมานี่ ก็ยังมีคนพูดเรื่องนี้ผู้พูดเรื่องนี้อยู่อย่างน้อยพวกเราก็ต้องศึกษาร น, นี้กันก็เป็นเรื่องทันสมัย <c oughs> ไม่ล่าสมัยเลยงดเ่อทุกเพศทุกวัย เอรัตินี้กายไหนไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้คือทันสมัยเราศึกษาอะไรก็เป็นเรื่องใต้ผลเป็นปัจจดตังทันทีคือเรื่องชีวิตของเรานี่เองจะมาจับเกิดขึ้นที่นี่ ก็ปริบัติเกิดขึ้นที่นี่ที่กายที่ใจเรานี่มีทั้งหมดแล้วตัณฐาก็มีที่นี่ปัญญาก็มีอยู่ที่นี่เราจึงมีความพร้อมที่สุดถ้าเราทำาม่ไหรก็ได้ทันทีเห็นทันที ัมผัดไใต้ทันทีเป็นปัิจจทังทันทีเริ่มต้นจอบ ก, การปฏิบัติปฏิบัติก็คือเอากายเป็นหลักสูตรเอาจิตใจเป็นหลักสูตร เอาสติเป็นการศึกษาเข้าไปให้เห็นมีสติไปนในกายเป็นประจำแต่ได้เห็นสิ่งที่เกิดกับกายนี่เกิดกับใจนี้มันโชว์ออกมาตัวสติเป็นการศึกษาเข้าไปเห็นดูเข้าไป มันจะแสดงอะไรจากกายจะเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นแบบหน่อยเราก็ได้เห็นได้เห็นได้ไปเจี่ยวข้องเชิญเห็นหลงเห็นรู เวลามันหลงมีนั่นเวลามันหลงก็มีเวลามันรู้ระหว่างหลงระหว่างรู้เป็นอย่างไรอะไรเป็นของปุถุชนอะไรเป็นของพระเรียะเจ้าควรเนินไปอย่างไรต้อผัดตูทวนเฉบควรครบ อย่างไรต่างกันอย่างไรแล้วหวางหลงแล้วหวังรู้เนี่ยเป็นประโยชน์อะไรที่ไหนเราทําอย่างไรนั้นเกิดขึ้นใจเราเราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรเป็นข้อปฏิบัติลงไปสัมผัสลงไป ให้ราจักรสชาติลงไปหเห็นแยกลงไปหเห็นหลงหเห็นไม่หล ง, ลงมันต่างกันไหมระหว่างความหลงระหว่างความไม่ลหลงเดินต้นไปนก้าวแรกไปอย่างนี้แล้วก็จะเห็นทางพบทางไป ขอให้ขอให้ขีดไปก่อนบุกเบิกไปก่อนใจเว้ไปก่อนมดมองเป็นคู่เมื่อไมีหลงก็มีไม่หลงอย่าให้มันเป็นอันเดียว เทียบเทียบเรียกว่าเจนที่วัดให้เราได้เลือกได้แล้วก็เลือกเดินได้อะไรมันผิดมันถูกนี่ก็คือข้อปฏิบัติเวลาไม่สติมันก็เป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวนั้นก็เกิดการเห็น เราเห็นหลงเป็นหลงเป็นปุตุชนเป็นของปุตุชนถ้าหลงเป็นรูปเป็นของบันปายคิดผู้ที่เห็นควร <c oughs> ดำเนินไปอย่างไรนี่คือเราได้ฟัง ตามไปทันทันตามทันไปอย่างคนธ ญ, ญาฟังตามทันไปสิ่งที่พทธเจ้าจแสดงมันเป็นเรื่องของเราทุกคนตั้งใจฟังไปยหิสติไปสัมผัสไปดังเห็นหลงเป็นหลง ถ้าเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงอริยฉัตรเป็นอะไอริยฉัตรเป็นอย่างนี้เรียกว่ากําหนดรู้กําหนดรู้โดยการรู้กําหนดรู้โดยการแจกแจงการรู้โดยการละ อันเดียวกันมีสองขั้นตอนนันหนึ่งเห็นเป็นการกำหนดรู้โดยการรู้ไม่ใช่เป็นถ้าเป็นแล้หลงเป็นหลงไม่ได้มีไ ม, มไม่มีสิ่งไปเกี่ยวข้องวหลงก็ยังเป็นหลงเลยไปนี่หลงกำหนดรู้เรียกว่า ยาตาบริญญาแล้วก็มีอ e ีกต่อไปกำหนดลู om, wa, ่การนแจกแจงมันไม่ท่วมหลงความไม่หลงมันมีเรียกว่าติลัคนะบริญญา อย่างเราสวดอย่างพูดเจ้าแสดงเราฟังมันเป็นสามขั้นตอนอันที่สุดท่าก็คืนินปหาน า, าปลิญาติปะหานาปลิญาติทั้งวัฏตัตติอภิญญาญาณทำให้ละถ้าไม่หมดไปแทนที่มันหลงเป็นหลงมันก็มีที่ที่มันหลงไม่เป็นที่ ที่มันหลงไม่เป็นที่ไม่หลงแล้วเป็นที่ไม่หลงแล้วนั้นเปลี่ยนที่ก็เห็นช่องเห็นทางไปแบบนี้ยดียวเราก็ทำอย่างนี้ปฏิบัติก็เป็นกรอบเป็น ร, รมไปอย่างนี้ได้ผลจากความหลงได้ผลจากเหตุได้ผลจากปัจจัยเอามาเป็นผลเรียก<ล>ว่าตัวปฏิบัติ มันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เรานี่แหละถ้าหลงเป็นหลงก็ลึกลงไปเป็นกรรมลงไปถ้าหลงเป็นรูปหลนก็ลบ ก, กรรมลบชาติลพบพหลงไปมันลึกหนอยลึกระห ว, ว่างหลงเป็นอกุศล หลงเป็นรู้เป็นกุศลแต่ว่ากุศลมันอ่อนอากุศลมันแข็งกว่าเราไม่เคยฝึกหัดต้องเข้มแข็งตรงที่มันอ่อนแก้จุดอ่อนนี่คือตัวปฏิบัติใส่ใจทั้งหน่อยเหมือนกับเราจะลบ อะไรที่มันผิดต้องแก้การแกร้มันก็ยากกว่าการผิดแต่มันหลงมันง่ายไม่หลงในใจส่วนนิดหน่อยทนกระเสนิดหน่อยรวมทุกข์เป็นทุกข์มันง่ายง่ายแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงไปไกลรวามหลงความทุกข์ก็ไปไกล กมหลงคมไม่หลงมันไม่ไปถึงไหนแล้วมันหยุดแล้วความทุกข์ก็ไม่ไปถ้าเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันก็ไม่ไปนั้นก็มีมีผลระยะยาวเหมือนเรามีผีมีหนงเหมันเจ็บแต่ถ้าจะเลกษาให้มันหายต้อง ต้องผ่าต้องเอาหนองอกอกก็มีความเจ็บนิดหน่อยเหมือนคนติดเล่าติบุรีนั้นจะหยุดสูบมันก็ลำบากนล้หน่อยถ้าสูบมันก็ง่ายแต่ว่ามันเป็นผลร ะ, ระยะยาวถ้าสูบไปถ้าหยุดทวงกระแสสักหน่อยมันก็มันก็จะดีขึ้นหมดเชื่อ ไม่มีเชื่อไม่เพิ่ ม, ม, มเชื่อเข้าไปก็สะดวกในภายหลังกําหนดลูกโดยการลูกกําหนดลูดเดยการแจกแกงกําหนดลูดเดยการละต่อไปก็ไม่ก็เจยเป็นไปเองเนี่ยกว่าสร้างกุศลให้ม ah. ันแข็งข id ึ้นมาในตรงที <t od> <t od ่มันอ่อนแอง ไม่ใช่ความคิดเราอยากได้กุศลมีแต่ความคิดไม่มีการปฏิบัติอยากได้ความไม่ทุกข์มีแต่ปาฏถนาไม่ใช่ไม่เคยทาเวลามันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ไม่ทำจุดนี้ทุกข์ก็เป็นทุกข์หลงก็เป็นหลงโกรธก็เป็นโกรธ พอใจไม่พอใจตกอยู่ในภาพแบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนนะมันก็มันก็เปลี่นไปตลอดพบตลอดชาติไปไกลความหลงก็ไปไกลความทุกข์ก็ไปไกลความโกรธความโลภไปไกลถ้าลองเปลี่ยนลองดูแล้วก็หยุดได้เหมือนที่เคยพูดว่าลอย ลอยกำมันลึกไหนก็ลอยฉีดบนดินฉีดบนหินฉีดบนน้ำถ้าหลงเป็นหลงเรียกว่าลอยฉีดบนหินน้าหลงเห็นมันหลงเป็นรอยฉีดบนดินได้หลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเป็นลอยฉีดบนน้ําอะไรมันจะลบง่าย แต่เป็นชีวิตที่มีกรำแบบลอยขีดบนหินบนดินบนน้ํามันก็อยู่ที่ตัวเรานดิถ้าลอยขีดบนน้ํามันก็ลบง่ายถ้ามีกรำก็ลบง่ายเชืนกรกำก็เชืนง่ายนั่นอยู่กับการกระทำถ้าหล ง, ลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงลอยขีดบนน้ํา อาจจะจบ้ไวัยเป็นการปฏิบัติสะดวกถ้าหลงเป็นหลงรอยขีดบนหินเป็นการปฏิบัติไม่สะดวกอาจจะไม่ได้บรรลุธรรมเฉลยทุกเป็นทุกลอยขีดบนหิ น, น, หนโกรธเป็นโกรธลอยขีดบนหิน ทุกเป็นทุกเห็นมันทุกเป็นรอยเขียบ น, นดินทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเป็นรอยเขียนบนน้ำลักษณะเดียวเรียกว่าปัจจ ย, ยาปัจจยาสามอาการสิบสองมีสามอย่างสามอย่างนี้ในเวลาเดียวกันต่มี ถ้าจะเป็นธรรมก็ป <c oughs> ุคคลที่ฐานท ร, ร ม, มาที่ฐานหรือศาสนาพิธีศาสนาธรรมเอาอันศาสนาพิธีศาสนาวัตถมรรมุมาเป็นศาสนาธรรมนำมารวมกันศาสนาธรรมมาเป็นธรรม เอาให้มันเกิดผลมองอะไรมองให้มันเกิดเป็นผลแบบนี้มันก็จบง่ายๆถ้าเป็นการปฏิบัติลำบากคือรู้คือห ล, ลงไม่รู้มันลำบากถ้าหล ง, ลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หล ง, ลงเป็นการสะดวกไม่ลำบาก เรียกว่าทุกขะปฏิปทาปฏิบัติลําบากสุขะปฏิปทาปฏิบัติสะดวกเราความสะดวกความลำบากอยู่ที่การกระทําในรูปแบบไม่ใช่ความสะดวกในการมรรลุธรรมทำอย่างไงจรึงสะดวกไม่ใช่มองถึงรูปแบบเช่นบางทีเห็นหนั่ง เห็นคขาปฏิบัตินั่งสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเดินสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงโห้ยลาบากอยู่เฉยเฉยก็ได้บรรลุธรรมก็ไม่ต้องทำให้ยากขนาดนั้นอย่าเอาจุดนั้นเป็นการมองอาจจะเป็นการสนุกของผู้ปฏิบัติเป็นความขยันของผู้ปฏิบัติทุก ข, ขาปฏิบัติทาหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธ น่นหนาทุกขาปฏิปทาตู้ทำได้าายากจนสุขาปฏิปทาปฏิบัติสะดวกถ้าห ล, ล ง, ลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนั่นสะดวก<ง>มันทุกเห<ง>็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกนั่นเรจะสะดวกปฏิบัติสะดวกแบบนี้ไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่รูปแบบเป็นตัวปฏิบัติลงไป อะไรก็ทําแบบนี้ทั้งหมดเป็นจุดเดียวเป็นเจนเดียวเป็นทิศดีเดียวไม่หลายไม่มากอันเดียวทั้งหมดเข้าไปกําหนดทั้งหมดได้ในชีวิตของเราจะมีบ้ากกิเลสพนาตนาลอยแปดมีเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วมันก็แตกฉานพระพุทธเจ้าเทศนาการ น, นี้เป็นการแรกเน่ย ก็เกิดทาไว้ไหนขึ้นมามากมายขยายออกไปจนเป็นสูตรเป็นปีดุกมากมายเริ่มต้นจากสุดนี้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดในเรื่องอริยฉัดชิมีไม่มาก สุขหาปฏิปทาคือทําอย่างนี้หลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะอยู่ลักษณะไหนไม่เกี่ยวกับารนั่งสร้างจะบวชไม่เกี่ยวกับการเดินจงกรมไม่เกี่ยวกับการยืนการเดินการนั่งนอนจูดกับตัวปฏิบัติมันหลงในอิริบุตไหนห่ะไม่มันก็ไม่เลือกหลงได้ทุกโอกาสแล้วก็ รู้ได้ทุกโ อ, อกาสเช่นกันแต่สะดวกอม่ใช่เวลามันหลงจะมาเดินจงกร ม, มจะมาสร้างจังหวะจะมานั่งหลับตาจะมาคิดเห็นมองเห็นเฉยๆก็ไม่ได้ถ้าไม่ทำต้องออกมาทำดู เอาความหลงมาเป็นเหตุทําให้เกิดไม่หลงเอาความทุกมาเป็นเหตุทำไม่เกิดไม่ทุกได้บ่เหตุเุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุนั่นเป็นอย่างนี้ในหลักการปฏิบัติตามหลักที่ทําำตามตามหลักแค่ชนากันแรกของพระเจ้าที่แสดง แล้วก็ไม่บ้าถ้าเราเอามาปฏิบัติกับการแช้ชีวิตของเราเนี่ยมันก็เห็นทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมที่มันเกิ ด, เ, กดเหตุที่มันจะแค่ที่เหตุก็แค่ตรงนี้กันจึงมาเป็นการกระทา โดยพระวิชากรรมฐ า, านนี่ทันสมัยกับเรื่องนี้มากมีกาย ม, มีสติไปในกายเห็นกายเป็นประจำเนื้กายม่แสดงอะไรออกมาเป็นตัวเป็นตนแบบไหนไเห็นไม่เป็นไปนตามอาการของมั น, มนเห็นกายสั่ากายเห็นกายก็เห็นเวทนา ที่มันเกิดขึ้กับกายกิับใจด้วยเวตนาก็คือสุขคือทุกข์ก็เห็นสักว่าเวทนาเห็นมันคิดในคิดในกิดในความคิดก็มีที่มันเป็นลูกที่เป็นนามเห็นมันคิดก็สักว่าความคิดตั้งที่เราได้เห็นกันอยู่จนชำนิชำนาญมันก็มีทุนนี้ เราจะทํำยังไงจะอ่อนแอตรงนี้ไม่ได้ต้องเข้มแข็งสักหน่อยให้มันทันสมัยทุกคนก็ทําอันนี้เดียวกันเนีย่ยให้มันเห็นแบบเนี้ถ้าหลุดตรงนี้ก็หลุดไปได้ง่ายๆมันจะไปทางไหนก็มีภาวะที่รู้มีภาวะที่หลง ตั้งต้นนี่ตั้งต้นที่ให้ได้ก็ไปกันได้ไปได้ข้ามได้เราจะหลงไปทางไหนเราจะทุกข์ไปทางไหนกุศลอกุศลมันก็นมีเท่า น, นี้อกุศลก็คือหลงเมื่อหลงก็มีโกรธมีโลภมีทุกข์กุศลคือไม่หลงไม่โกรธไม่โลภไม่ทุกข์ไอคุณเจ๊เชื่อโซ่ตรงนี้อ่ะ จะหลงจนตายจะโก จ, จะกจนตายจะทุกข์จนตายมันก็ไม่ใช่อาจจะเสียชาติไปเปล่าๆถ้ว เ, เรามาทำตรงนี้มันก็ไปกันได้ภาว่าที่หลงไม่หลงนี่กลับแต่นี้ปฏิบัติคือกลับแบบนี้จะปฏิบัติก็ทำแบบนี้ถ้าไม่ปฏิบัติ ก็คือท so, uh, like like so, like ิ้งเรื่องนี coloring, 對對้ไปเกิดที่จะเป็นงานเป็นการมันมาให้เรามันมาให้เราทาเกิดใหเราทานันก็จบไปไม่ใช่จะหลงไปเรื่อยๆทุกไปเรื่อยๆโกรธไปเรื่อยๆเมื่อหลงเป็นใหญ่ไปแล้วก็เป็นอกุศลอกุศลอื่นที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้น ทสิ่งที่มาดีเกิดขึ้นสิ่งที่ดีไม่ค่อยเกิดเช่นกุศลอย่างเนี้ยอกุศลมูนสามหนึ่งสองสามสา ม, มีอยู่อกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นตั้งมีความหลงไม่ความกอดไม่ความโลภ ก็มีอุศสนอีกเกิดต่อไปมากมายเกิดภพบกว่าชาติชราวนาโศกกระปเทวทุกเป็นพพเป็นชาติไปชาติแห่งความหลงก็มีชาติแห่งค ว, า, งวามโกรธก็มีชาติแห่งความาวาทุกข์ก็มีถ้าไม่หลงก็ชินชาติไม่โกรธก็ชินชาติไม่ทุกข์ก็ชินชาติหมดยกไปเท่านั้นเอง ตั้งต้นจากตรงนี้จบก็จบตรงนี้ตั้งต้นที่นี่ท่ามกางที่นี่ที่สุดก็ที่นี่ถ้าเรามีสติมันก็เห็นสรุปให้เราได้เห็นง่ายๆเหมือนกับว่าอยู่ในกำมือของเรามีสติมีสมชัญญะ โตวตอบทักท้วงไม่ใช่เราสมหามันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นแต่เรามีสติประกอบขึ้นมาก็มีได้ทันทีไม่ได้อ้างเวลาการอะไรทั้งสิ้นกำหนดเท่วไหนก็ได้เอากายเป็นที่ตั้งเอากายเป็นการทำที่ว่ากรารมาฐาน ที่ตั้งของการกระทากาหนดขึ้นมาให้มันมีให้มันเป็นเจ้าเรือนเห็นยิ่งใหญ่เห็นไม่เป็นยิ่งใหญ่มาก่อนมาอยู่ในการกระทาก่อนสมมติเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นเหมือนจะ่ก่อนไม่สติเช่ก่อนเห็นไม่เป็น ใหญ่ส่วนยามาที่หลังหมอมาที่หลังตั้งตัวนี้ไว้ก่อนเหมือนศิลาแทงทึบไม่สะเทือนพระลมผู้ที่ฝึกฝนตนดีไม่หวั่นไหวเพราะลูกทั้งหลายจุงใดที่มากระทบก็อาจจะจบลง ภูเขาศิลาท่างทึบเมื่อล ม, มพัดลมก็จบลงที่นั่นขื้นพัดพาก็จบลงที่นั่นเพราะมันยิ่งใหญ่ภาวะที่เห็นภาวะที่ไม่เป็นอะไรที่มันเกิดกับการกับใจเห็นไม่เป็นยิ่งใหญ่จิตที่มาที่หลังก็ ไม่มีสิทธิถ้าภาวะที่เป็นเนี่ยมันเล็กน้อยอ่อนเออเป็นการมสุขันนิการโยกไปเห็นแล้วมันยิ่งใหญ่เห็นกายสัพพะกายยิ่งใหญ่มากมเห็นเวทนาสัพพะเวทนายิ่งใหญ่เห็นจิตที่มันคิดก็ยิ่งใหญ่ เห็นธรรมท <cam trucs> mm. ี่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับอารมอาการต่างๆกวามโกรธความโลภความหลงความโศกความทุกข์เป็นธรรมเห็นภาวะที่เห็นภาวะที่ไม่เป็นนี่มันใหญ่ยิ่งใหญ่เป็นตบะ เดินหงือการเกิดแก่เจ็บ ต, งตางไาวะภาพภาวะที่เป็นเนี่ยมีแต่ภพแต่ชาติเตรียนไหวเป็นวัตตักดังที่ธรรมจัก์ที่ได้กล่าวถึงกรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา มันก็เกิดจากตรงนี่ภาวะที่เป็นเนี่ยมันเป็นไปได้การมัธนาตัณหาทั่วไปภาวะตัณหาตัณ ห, หาที่เกิดทําให้เกิดพบเกิดชาติอยากมีอยากเป็นมีแต่ความอยากไม่อยากเป็นการกระทาไม่ค่อยมีวิภาวะตัณหาตัณหาจิบหายไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไร อยากเต้นอยากมีเงินก็ไม่อยากทำงานจะได้เงินมาโดยไม่ทำงานจะได้พิธีใดอาจจะปล้นเอาขี้เอาขโมยเอาตอนนั้นตัณหาไปบมองชิบพายวิภวตัาตัณหาไม่อยากมีไม่มีไม่เป็นเนี่ยอาจจะไม่ค่อเป็นการแปลแบบ ทับศพถ้าเป็นภาษาธรรมเนี่ยตัณหาจิบหายปิปัตัาหาตัณหาทหั้งไม่จิบหายควมโกรธเกบหายความไม่โกรธความทุกข์เก็บหายความไม่ทุกข์หมดไปแล้วควมควมไม่ทุกข์ความหลงเป็นหลงเก็บหายแล้วความไม่หลงเดี๋ยวว่า ตายจากมรรคผลนิพพานวิภาวะตัณหาตัณหาที่ตายจ็บหายไปเลยงั้นเกิดดับเกิดดับภพชาติอะไเนี่ยมันเกิดดับเกิดดั บ, บ เ, เ ก, ดดบเกดดบเิดที่ก็เพื่อจะตายเกิดโกรธ ก, ก็ตายไปในความโกรธตายสิ่งที่ไม่โกรธตายไปทุก ก็มไม่ทุกข์ก็ตายไปหลงก็มไม่หลงก็ตายไปที่ว่าอาการเกิดดับของภพของชาติเบี่ยนไม่ตายเกิดเป็นมัตะส่งสารดานชืนพพ่นภพชื่นชาติมันจะชืช่นแบบไหนคือไม่หลงไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่เห็นเห็นไม่เป็นเห็นไม่เป็น ไม่ใช่บิภาะวะตัณหาบิภาวะตัณหามันปฏิเสธอยากได้กุศลคิดเอากุศลก็เปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงเป็นกนุศลไม่เคยเปลี่ยนอยากมีศีลอยากได้บุญมีพิธีทําเอาบุญคือใจดีบาปคือใจร้าย แต่เปลี่ยนความใจลายตรงที่มันล้ายมันดีขึ้นมานะพูดไม่ดีพูดดีๆเถอะคิดไม่ดีคิดดีใหม่คิดใหม่ทำไม่ดีทำใหม่อยากได้กุศลต้องทำแบบนี้ไม่ใช่ซื้อออกไม่ใช่คิดออกอยากเป้กุศลไม่แต่คิดคิดก็ต่างกันไปเอาความคิดเป็นการทะเลาะวาทกันก็ไม่ เหตุผลเหมือนกันเห็นคนสองคนลูกศิษย์ของสำนักหนึ่งสองคนนั่งคุยกันมองเห็นใบไม้มันปลิวไม่ถามกันว่าใบาาไม้ทำไมจึงปลิวว่ามันมีลมมันจึงปลิว ตหนึ่งบอกว่าผมว่ามันมีใบไม้มันจึกปลิวไม่ใช่ถ้ามีใบไม้ไม่มีลมมันก็ไม่ปลิวอะไรมันปลิวแน่นอนต้นึ่งบัวลมทำให้ใบไม้ปลิ่ยวรหนึ่งใบใบไม้ไมันปลิวก็เถียงกันได้ไปหาอาจารย์ว่าอะไรถูกอะไรผิด ถ้าเราตอบจะตอบยังไงถ้าเราเป็นอาจารย์คนสักคนมาถามเราจเจ้าเห็นเจ้าผลไปแค่กันมันแก้ไม่ได้อันเกิดจากสมมติบัญญัติสองคนสมุติออกความเห็นแตกต่างกันสมมติบัญญัติไม่ใช่ปรามาัา จ, จัจกรไปตั้งให้อะไรมันผิดมันถูกไปซะเอาวัตถุเป็นเรื่องผิดเอาวัตถุเป็นเรื่องถูกเอาเหตุผลเหตุผลไม่ใช่ชจรธรรม อีกคนสองค น, ค, นคิดเอาปลู<ต>กร่ตะปลกวันที่หนึ่งสามสิบล้านบาทจะเอาเงินไปชื่ออะไรไคนหนึ่งจะไปชื่อหัวมาเลี้ยงคนหนึ่งจะปลูกไรเข้าวโพดชื่อที่ชื่อปลูกข้าวโพดคนนั้จะเลี้ยงหัว คิดเหตุผลต่างกันคนสองก็บอก ว, าวา่าเรื่องวัวต้องระวัาางวัวจะมาจินข้าวโพดนะคนเนื่องก็บอกว่ า, วาเาข้าวโพดต้องผุแล้วต้องล้มรั่วเพื่อบัวไม่ได้กินเอาถ้าไม่มีวัวข้าวโพดอะไรจะมาเก็บไม่ต้องล้มรั่วก็ได้เพราะไม่วัวมาจีนเกินข้าวโพดเรา เถียงกันไปเถียงก็มาต่างเอาเห็ุเอาผลกันคนที่มือัวต้องร่อมต้องเลี้ยงวัวคนที่ปูกก็โพดต้องร่อมร่วคนที่สุดทะเลาะกันได้เพราะคิดออกกูสนก็คิดออกกูอมดีก็คิดเอาหรือว่าบิพภะตัณหาตัณหาแบบผิดหายแต่มัตัานาก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าตัณหาก็ไม่เท่าไหร่ ถ้าเป็นตัณหาแบบโรคๆนะเพราะว่าตัณหาอยากมีลูกมีเมียก็ต้องขยันหมั่นเพียรอำตัวเป็นคนดีสร้างฐานะเราอยากมีเมียอยากไม่เฉ ย, เฉยไม่ได้ไม่ได้ประกอบด้วยกรรมเครื่องกระทําหน้าที่มันก็จะผายได้วิภวตัณหามันจึงงันจึงเดือดร้อนไะอีกหลายอย่าง อยากได้กุศลต้องทำกุศลไม่ใช่คิดอย่างเราอยากมีสติต้องประกอบสติต้องใช้สติเวลามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนี่คือกุศลไม่ได้วิ่งไปไหนอยากเป็นมกักเปลี่ยนของหลงเป็นไม่หลงมักเห็นมันหลงเป็นมกัก เปลี่ยนความหลงไปไม่หลงพ้นจากความหลงเป็นผลกาลังทาอยู่นี่เป็นมักเห็นเป็นมักก็ไปเจี่ยวข้องถูกต้องเป็นผลนั่นก็เป็นมักเป็นผลอยู่ปฏิบัติลงไปเป็นมักเป็นผลทันทีอะไรจะสะดวกอะไรจะทันใจเหมือนกับการปฏิบัติมันเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมา ไม่ใช่ไม่ใช่หล่อคอยปัจจตังเป็นปัจจตังเป็นการเห็นเองรู้เองทำได้เองทำได้จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ทำไม่ได้มเมื่อเถอะตัวหลงจะเกิดขึ้นแบบไหนจะเปลี่ยนเป็นไม่หลงได้ทุกโอกาส ถ้ามันมีความทุกข์จะมาแบบไหนจะเปลี่ยนเป็นคนมไม่ทุกข์ได้อย่างง่ายๆความโกรธจะขึ้นเมื่ อ, อไรขณะไหนก็ได้จะเปลี่ยนเป็นคมไม่ทุกข์ไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรทำอย่างเดียวเปลี่ยนอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวเป็นนักปฏิบัติอย่างเดียวไปไหนก็ไปในโลกแนละ้วจะทำแบบนี้ ในลกนี้เป็นเกณนอันเดียวเท่านี้ตัดทิ้งใจเท่านี้จะเป็นความเก็บก็จะเห็นมันเก็บไม่เป็นผู้เก็บจะมีความทุกข์ก็จะเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์จะมีความโกรธก็จะเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธเอ้าอะไรจะเกิดขึ้นมานี่อริยสัจสีมีจักทานั้นหมุนไปแล้วแบบนี้ เหยียบมันย่อมหยีไปเลยให้มันแหลกไปเลยเนี่ยทำไมเราไ ป, ไปจองไ ป, ไปค่อยไปลกัเลบเรื่องอย่างนี้เหเหยียบมันไปเลยเปลี่ยนไปเลยนี่ว่าจั ก, จกทําทํำมาจักเกิดขึ้นแล้วกิ่ง ข, ขึ้นแล้วหมุนไปแล้วตะห ม, นนหมนุนไปทางไหนเลียบไปทางนัน ควาหลงกเรียบลงความโกรก็เรียบลงขวงทุกข์ก็เรียบลงลาบหลงไปก็เป็นคนคนเดียวกันหน้าเราเป็นคนคนเดียวกันก็เกิดศาสนาพระศรีลอรยมเมตตาต่างคนต่าง เปลี่ยนความหลงไม่หลงเปลี่ยนความทุกข์ไม่ทุกข์เปลี่ยนความโกรธเป็นไม่โกรธซึ่งเป็นอกุศลตัวต้นต้นจะมีกุศลตัวต้นต้นเกิดขึ้นไปแทนที่ทุกที่ทุกทางชีวิตเราก็อันเดียวกันจึงทันสมัย เ, เป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศเป็นวัยคนหนุ่มคนแก่ เป็นนักปวดเป็นขลาวา้าโจร<ด>ก็เหมือนกันอย่างศาสนศาสนสถานสารนาที่เราได้จะถูกธรรมเทศนาเนี่ยเป็นขลาวาดเป็นอนาคลริกะธรรมปาละคนศฉีลังกาไปพื้นผูขึ้นมาไปขอจับแขกอิจลา แขกขินดูเป็นของเขาเราขอขึ้นมาอ น, นาคาลิกธรรมปาละเนี่ยเป็นโยมไม่ใช่ตังปวดไปเรียนลู้จากพลหลังที่เขามาเห็นล่องลอยพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เห็นเล่าลอยมาเล่าให้ธรรมปละฟังธรรมปละเกิดสัทธาเข้าใจในคำสอนพระเจ้าว่ า, าพื้นผูเป็นโยมผู้ชายคนหนึ่งมาพื้นผูตรงนี้เอาสาจันตฐานจีแห่งคืนมาตั้งแต่พุทธคยาจรนาค ที่ประสูติที่ตัดจรู้ที่แสดงธรรมที่ปรินิพานไม่ใช่ฝีมือของพระเป็นโยงเป็นอุบาสกคนหนึง่งนี่คือทุกชีวิตทุกคนเนาะเราจึงมาให้มั น, มนแข็งแรงจะน่อยเถอะเอา รู้สักหน่อยลงไปเห็นกายสักว่ากายลงไปไม่ใช่สัตว์ปุขณตัวตนโหลเขาเห็นมันสุขมันทุกข์สักว่าสุขว่าทุกข์ไม่ใช่สัตว์คนตัวตนโลเขาเห็นความคิดที่มันจะคิดไหลขึ้นมาไม่เป็นไปในความคิดสักว่าความคิดไม่ใช่สัตว์ปุขณตัวตนโลเขาเห็นธรรมอลรมที่มันเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์ ยอมละความพอใจก็สักว่าความทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตตัวเราขเขาแข็งแก่งตัวน่นนอยไปง่ายๆนะบกุกเบิกไปเรื่อยๆไปอาจใช่เวลาไม่นานนักเหมือนอุคติตันยูบุคคลดูทมได้ง่ายๆถ้าไม่เปลี่ยนเลยก็เป็น เ, ยมมเ น, นยเยะาะปลระพะ ถ้าบุคคลหน้าปึกหน้าสาหดหลงก็เฉยโกรก็เฉยทุกก็เฉยด้านไปเลยเป็นคนด้านไปเลยมันก็ไม่มีโอกาสไปรู้ธรรมหน้าเฉดายไปเฉดายเวลามันหลงไม่เปลี่ยนหลงเป็นลูกเฉดายเวลามันโกรธไม่เปลี่ยนโกรธเป็นลูกมันมีโอกาสนั่นนหละ ความสอดอยู่ในความฉกปกได้ความทุกข์ความไม่ทุกข์อยู่ในความทุกข์ไ ด, มไมได้ตรงนั้นแหละที่มันจะได้ผลมีมัพปะจึงมีผลมันมีงานจึงมีการทำงานเสร็จนั้นนี่ก็วันนี้ก็จะรับกระิน ก็คงเตรียมกันพอสุกกรอแล้วผมก็จะไปใชฟภูมิกับจารย์ทรงศิลจารย์รัชชัยสองพ่อกรมตอนหกโมงเนี่ยหาจาแต่อาจารย์ศิลป์จะพาไปในงานใหญ่ แบบที่ไปเทศที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ล้วจัดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งหนึ่งตั้งแต่สองมาจัดที่ใจภูมเนี่ยมีคนประมาณสองสองามพันคนไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้จักเพียงแต่ว่าได้ข่าวพึงการตุ้งชินตุ้งบอกเมื่อวานเองนผมไม่ไปก็ได้นะไม่ได้ก็ต้องไป เป็นงานใหญ่ก็เล อ, อต้องไปดูก่อนแล้วจะาจารย์ต้องจะพากลับมาเวลาไหน่ะตงควรจะเวลาขับาพร้อมกัน